พระธรรมเทศนาแผ่นที่102ลำดับที่26โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่10มกราคม2560 ม, ม, มีชื่อเรื่องว่าเจดีหนักกว่าน้ำท่วมวันนี้มีคณะสองคณะ คณะแรกก็คือพันตํารวจเอกวิโรธเหมือนแท้กับกลุ่มคณะคุณอุไรพรเหมือนแท้คุณอทัฏฐสากรพาเนชคุณวันละพาพาเิชคุณวีระบุตรม่วงม่วงทิมคุณเฉลียวเกาะแก้วคุณอนงเกาะแก้วคุณดุจิตวชิระ เรืองศิลคุณอรพันธ์ลีลาสัมพันธ์เลิศพันตำรวจโทอภิรักเพิ่มชัยคุณอรอริยาอุ่นรั์อันนี้จะมาถวายพระพุทธ ร, รูปไม้ที่แกะสลักปุ่มมะข่ามัดูดูลเหมือนปุ่มมะข่าแล้วก็มีคณะ อีกกลุ่มหนึ่งคณะจากบริษัทวิทยุการบินแห่งป ร, ประเทศไทยจำกัดนำโดยนายวัชระพลรัตนสุวรรณพร้อมด้วยคณะจากกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์รัต ด, ดาศิลาน้อยศิลาน้อยอาจารย์พงศ์ศักดานามประมาณ มอบถวายทุนการศึกษาและสิ่งของแด่กลวงพ่ออินถวายชันทุสโกโเจ้าวัดวัดป่านะคำน้อยตำบลบ้านก้องอําเภอนายูจงจังหวัดอุดอรธานีเพื่อมอบแก่โรงเรียนบ้านวังบงและโรงเรียนบ้านวังแค่์ตำบลนาแข่อําเภอนายูจงจังหวัดอุดอรธานีสิ่งของที่มอบถวายมีดังนี้ 1. ทุนการศึกษา 2. ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 3. ม, มุ้ง ถวายวัดปานะครับน้อย100หลังและมอบให้โรงเรียนอีก100หลัง 4. หนังสือเรียน 5. ตู้ทาน้ำเย็น 6. เสื้อผ้าเจอุปกรณ์การเรียน 8. อุปกรณ์กีฬา 9. ขนมต่างๆวัตถุประสงค์ 1. เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหมอ่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์พระ พระเมทระมหาภูมิพลอดุลยเดชสองเพื่อน้อมถวายบูชาคุณหลวงพ่ออินถวายจนันตุสุสามเพื่อเป็นการตอบแทนให้กับสังคมสี่เพื่อช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนที่โดนน้ำป่าสร้างความเสียหายให้กับโอกาสทางการศึกษาเออโอขอบคุณนะขออนุโมทนานะลูกหลานทั้งหลายแล้วโรงเรียนเขาจะมารับด้วย เจ้เอาอยัางไงเขาจะมารับวันนี้ใช่ไหมจะมารับวันนี้ใช่ไหมดีดีดีเดี๋ยวพวกเราจะได้มอบไปเลยนะแต่หลวงพ่อจะเป็นสักีพยานให้หลวงพ่อจะเป็นสักขีพยานให้ <c oughs> ใหถ้าหลวงพ่อไปเป็นสกีไปเที่ยวจะเบี้ยวไปเบี้ยวมาใช่ไหม <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกทุกหลานเขาชื่อตรงอยู่ดีละเห็น <c oughs> คุณประโยชน์เวลาใครตกทุกข์ในยากก็ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือนี่แหละประเทศชาติบ้านเมืองจะอยู่ได้้างว่าต่างคนต่างอยูออ่มันก็ไม่ดีเหมือนกันนะ่ะแต่อย่างทางภาคใต้เดี๋ยวนี้กำลังน้ำท่วมโอ้หลวงพ่อเห็นแล้วก็น่าเป็นห่วงแล้วก็ถึงยังไงก็ตามพี่น้องประชาชนคนที่น้ำไม่ทนะ่วมอยู่ทางเมืองกรุงอยู่ทางฝั่ง ทั้งภาคกลางนะอยู่ใกล้คนรจะยื่นมือลงไปช่วยกันคนละไม้คนละมือแต่ขนาดปีน้ำท่วมกรุงเทพมหานครหลวงพ่อจะไปตั้งโรงทานอยู่แถวสะเซิงเสาส่งอาหารเข้ามาส่งกรุงเทพลำเลียงเข้ามาโหดหมดเงินไปมากเหมือนกันนะนี่แหละในฝ่ายเราเขาไมา่ได้นึ่งดูดายเวลาตกทุกข์รยากต้องช่วยดูกันมองกันคนในชาติ ถ้าคนในชาติมีน้ำใจต่อกันมีความเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันมีน้ำใจต่อกั น, นประเทศชาติประเทศชาตินั้นก็อารมณ์มเย็นเป็นสุขนั้นลูกหลานนะให้ช่วยๆกันทูบกันแลกกันนะหล่นคนมาเกิดมาในชาติจะให้คนอื่นมาช่วยก่อนที่เขาจะมาช่วยบางทีเราตายไปก่อนแล้วกลุ่มของเราเพราะเหตุไรเพราะมันไม่มีอันจรกินแหละ คอยต่างประเทศต่างภาษาเพราะนั้นอย่าทะเลาะกันสรุปแล้วบัดเนี่การอยู่ด้วยกันอย่าทะเลาะกันให้เห็นให้เปให้เป็นมิตรผูกสัมพมันธ์ธนายตรีกันไว้ดีกว่าถ้าทะเลาะกันเสร็จแล้วเนะี่ยมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นโน่นคอยต่างชาติให้เขามาช่วยเมื่ อ, อไหรเขาจะมาช่วยเราล่ะนี่แหละถึงยังไงยังไงกันพวกอยู่ใกล้ อยู่ใกล้กันนี่แหละให้รักกันเอาไว้เมตตากันเอาไว้เวลามีอะไรเกิดขึ้นกันะเรียกร้องหากันเวลาเราตายแล้วกันใครจะเป็นคนเอาศพของเราไปฝังจะให้ต่างชาติต่างภาษาเอาไปฝังอย่างนั้นเหรอไปเผาอย่างนั้นเหร อ, อก็ต้องคนอยู่ใกล้กันเพราะฉนั้นอย่าทะเลาะกัน เ, เลยจะว่าเออข้าตายไปแล้วก็ช่างหัวมันขันถ้าให้เมตนเอาไว้นั่นล่ะ เอาอย่างนั้นเหรอก็น่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกเราต้องพึ่งพาอาศัยกันดีนะมีเมตตาต่อกันมีน้ําใจต่อกันสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์กันนี่แหละที่ใช้การบิน อ, อทำนี่แหละถูกต้องแล้วหลวงพ่ออนุมโมทนาช่วยเหลือหลงลําโรงเรียนพอหลวงเรียนบ้าน วังแค่ก็จริงๆน้ําท่วมโรงเรียนเสียหายหมดทั้งชั้นล่างนะมันขนข อ, ของขึ้นไม่ทันเพราะมันมักกลางคืนนะก็เลยไม่เสียหายตั้งตัวไม่ทันพูดไ ง, ไง่ายๆแต่ขณะกานาดวัดหลวงพ่อเนี่ยยังซ่อมยังไม่เสร็จเลยหลวงพ่อกลับมาหลวงพ่อก็ถามก่อนเลยเออไปไงไปถึงไหนแล้วการซ่อมพวกกูบาร์สัาญาติษฐานโยมรวมกันมาลุกมัตุ้ง ม, ม า, มมาเป็นเดือนเลยนะลเดือนกว่านะ ก็ยังไม่นั้นแต่คงจะไปอีกนะไม่ตม่ำกว่า2องถึงมเดือนนะมันจึงจะเสร็จเรียบร้อยได้นะอันนี้ก็คือวัดที่น้ําท่วมผลของน้ําท่วมวัดนะเมื่อวันที่แปดที่9้าพุทธิกาห้าเก้าแต่นี้ก็วันที่สิบแล้วนะวันที่สิบมกราหกศูแล้วเนะี่ยวันนี้เป็นวันที่สิบมกรา 2,560 หลวงพ่อได้ลงไปกรุงเทพนะคะ่ะทริศธา ญ, ญาติโยมลูกหลานลงไปตั้งแต่วันที่8ไปนั่งเครื่องแล้วก็ลงไปนั่งเครื่องตอนเย็นประมาณตั้งห้าโมงกว่าพอไปถึงกรุงเทพแล้วก็นั่งรถไปในงานเลยไปในงานหลวงปู่วิริยังศรินทโร ถนนสุขุมสุ ข, ขุมวิทซอยร้อยหึ ง, งเขตน่นหะเขตพระโขนงนนซอยถนนสุ ข, ขุมวิทไปเห็นพอไปถึงในงานโอ้โหคนเยอะนะลูกศิษย์ลูกหาทันมากทีเดียวเลยประมาณชัก2สองทุ่มกว่ามีการเทศแต่ก็มีหลวงพ่อเป็นองค์แสดงธรรมองค์แต่หลวงพ่อเคยไปมาสอง ส อ, สองปีแล้วติดต่อกันปีนี้ท่านก็นดมนต์อีกหลวงพ่อก็เลยเห็นว่าท่านเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่องค์หนึ่งเป็นทุกสิทธิของหลวงปู่มั่นท่านกอ น, นี่นะท่านแนะนําสอนพี่น้องประชาชนกับเกี่ยวกับพลังสมาธิจิตตานุภาพนะกําลังฮิตอยู่เดียวนี้นะหลวงพ่อก็ไปแสดงธรรมรู้สึกว่าพี่น้องประชาชน เยอ ะ, นะอะพอแสดงธรรมหลวงพ่อก็เอาแนวแถวของหลวงปู่มั่นที่หลวงพ่อได้ฟังได้ศึกษามายัางไงหลวงพ่อมาขยายผลต่อก็อรู้สึกว่าพี่น้องประชาชนลูกหลานเขาฟังดีนะเมื่อคืนนั้นเพราะว่าหลวงปู่ท่านก็สอนเป็นพลังสมาธิแล้วนะจากนั้นท่านพวกญาติโยมก็คงจะอยากฟังอีกว่าพลังสมาธิอีก แนวหนึ่งเรียกว่าแนวที่หลวงปู่มั่นท่านสอนอย่างไงรดังนั้นหลวงพ่อก็ได้พูดในชุมชนวัดท ร, ร ม, มงคลพอเทศจบลงแล้วเขาก็ถวายกันเทศหลวงพ่อนะตามปกติถวายกันเทศแต่บางครั้งหลวงพ่อก็มอบถวายคืนท่านนะถวายคืนท่านเออเอา้าเราไม่ได้มานาน เมื่อแสดงธรรมจบแล้วก็ถวายอทําำระเทศนาท่านแล้วก็ถวายทั้งกันเทศด้วยแต่คราวนี้หลวงพ่อบอกนะเออเอาคณะศรัทธาญาติโยมศรัทธาญาติโยมถวายจะตุปัจจัยถวายหลวงพ่อมานะแต่หลวงพ่อคราวนี้หลวงพ่อจะเอาเนะี้ทีนี้ว่ะเอาไปซ่อมวัดหลวงพ่อจะเอาไปซ่อมวัดประวัติหลวงพ่อ น้ำท่วมเสียหายอย่างมา ก, กลูกหลา น, นถ้าราว่าผู้ใดก็ตามได้ดูโซเซียนยูทูบเฟซบุ๊กแล้วก็คงจะรู้ได้ว่าวัดหลวงพ่อในน้ำท่วมวันที่ 8-9 ทีพ่พฤศจิกา เ, เสียหายยังไงกำแพงล้มลในระนาดแล้วก็ถนนในวัดก็ขาดจะได้ต้องทำถนนทำสะพา น, นแต่สรุปแล้วก็คือทางจังหวัดเขามาประเมินราคาทั้งโยธาทั้ง กมชนประธานทั้งทางหลวงชนบทเขาก็คิดออกมาว่าประมาณแปดล้านกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อจะได้เอาเจตุปัจัยของหลูกหลานไปซ่อมวัดสมเาอมเจน า, านะหลูกหลานเน้อเขาก็ท่าถูดจากนั้นก็มีมีคนมาหลุมเขามาอีกถวายอีกเนาหลวงพ่อวัรับไม่อันพราะเห็ุอะไรเพราะในวัดของเราก็เนี้ มันจะได้สอมกาแพงสอมวัดที่น้ำท่วมนะจากนั้นก็มาพักมาถึงสวนแสงธรรมก็เที่ยงคืนนะลูกหลานนะจะได้พักจากนั้นตอนเช้ามาไปฉันจังหารที่บ้านคุณสมบัติที่ถวายเจตุปัจจัยขององค์หลวงตานะีนะนะ่ที่ว่าสร้างพระเจดีย์เนะี่ยท่านทำบุญท่านโคกคงจะไม่ได้ทำบุญใหญ่ละแต่เชิญพวก อยาดสนิดมิตรสหายที่รักเคารพกันมาทำบุญตักบาทแล้วก็ถวายพัฒหารพระไปหรูปมั้ฉันด้วยกันจากนั้นหลวงพ่อก็ได้ปลารบเรื่องเจดีย์หลวงตาเหมือนกันนะพอเหตุอะไรจึงปลารบเพราะว่าเจ้าภาพนั้นเป็นเจ้าภาพใหญ่ถวายเงินถึงรอยล้านนะสร้างเจดีย์องค์หลวงตาเพราะนั้นไปถึงจิตนั้นหลวงพ่อก็เลยพูด กับคณะสัทธายา้าโยมเจดีหลวงตาไปถึงไหนแล้วแต่หลวงพ่อเน้นหนักว่าเจดีของหลวงตาเนี่ยจะไปมอบให้หลวงพ่อสุดใจกับหลวงพ่ออินอายุถึงเจกว่าแก่ๆแล้วจะมาบริหารจัดการไม่น่าจะถูกและลูกหลานาน่าลูกหลานทั้งหลายในแผ่นดินในแผ่นดินผู้ไดรับประโยชน์จากองค์หลวงตา ลงหาลงตาหาทองคำเข้าคลังหลวงทั้งสิบสามตันเงินดอลลาร์ทั้งสิบสามละทั้งสิบล้านกว่าดอลลารนะ์ถ้าคิดเป็นเงินไทยออกมาเท่าไหร่เป็นเป็นหมื่นล้านนะเป็นหมื่นเป็นหมื่นสองมืนล้านนะเนี่ยนะเข้าไปค้ามไปค้ามธนบัตรอยู่ในคลังหลุงทําให้ธนบัตรของเรามีมูลค่ามีราค า, าไม่เป็นธนบัตรกงเต็กเนี่ยส่วนหนึ่งเหมือนกันนะเพราะนั้น เราจะไปมองข้ามว่าจะให้ผู้ใดใครเป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างพิพิธภัณฑ์หรือว่าสร้างเพื่อบูชาพระคุณหลวงตาเป็นหน้าที่ของเป็นหน้าที่ของคนในแผ่นดินนะต้องต้องช่วยกันหลวงพ่อก็เลยขอร้องเรา ว, ว่าแนะนำผู้ที่ศรัทธาญาติโยมได้ฟังเมื่อวานจากนั้นหลวงพ่อก็กลับขึ้นมากับเครื่องมาอุดร แล้วก็มาทางโรงโรงเรียนอุดรพิษนะตรงทราบข่าวหลวงพอ่อลงมาเขาก็จะถวายเนี่ยเรื่องจะตุปปัจใจครูบาอาจารย์กับเด็กนักเรียนถวายที่น้ําท่วมวัดหลวงพอ่อที่มาซ่อมกําแพงหลวงพอ่อเออเอาในช่วงนี้หลวงพอ่อรับไม่อ่านเหมือนกันนะเ <c oughs> พราะเหตุไรเพราะจะเอามาซ่อมกําแพงกําแพงล้มตั้งเกือบสองรอเมตรถนนขาดอีกต่างหากเมื่อวานกับ หมดไปเท่าไหร่มั้งห้าร้อยกว่าเที่ยวมั้งโถมที่ดินที่น้ํากัดที่มันเป็นคลองอมันทำมันทำคลองใหม่เลยว่าไงโถมที่ดินเข้าไปห้าร้อยกว่ารถหนึ่งรถสิบล้อเนี่เป็นเท่าไหร่น้ำมันกินน้ำหมกุกน้ํามันนะแต่ก็เจ้าของรถทั้งมีเป็นผู้มีน้ําใจทั้งมอบรถให้มาใช้เนี่ยอันนี้แหละก็คือส่วนหนึ่งก็เลยรับ จากอุดรพิษเมื่อวานท่านะเขาถวายครูบาอาจารย์ถวายสามื่นมั่งเมื่อวานหะลวงพอ่อเออเอาจากนั้นหลวงพ่อเข้าไปบ้านตาดทราบข่าววันนี้เมื่อวานเขาลงเสาเข็มยาวยี่สิบเอ็ดเมตรอา่าแล้วก็ยี่สิบสองต้นเป็นการทดสอบวันดินที่ตอกลงไปเนี่ยมันจะมิดไหมเขาเอาปั้นจันใหญ่มาจากทาง้นนะทางทางภาคเหนือนะ ทางอุทยัยทางแถวอุดอรไม่มีปันจันเพราะอุดอรมันดินแข็งแถวเนี่ยแถววัดอีสานมันดินแข็งเขามันใช้ปันจรนยาวแตัดเรืมาตั้ง25เมตรหลักปันจันนะตอกลงเสาหนึ่งเมตรเหมือนกันนะ21เมตรเมตรเหมือนกันนะลูกหลานนะแต่เสาที่สองโผล่ขึ้นมาประมาณเมตรกว่าๆเสาที่สาโผล่ขึ้นมาสูงนะแต่เขาก็ตอกอย่างเต็มที่เหมือนกันนะเพื่อจะอยากจะรู้ทดสอบหน่อ <c oughs> วันนี้ก็คงจะตอกทั้งวันมั้งหลวงพ่อไปเห็นเมื่อวานนี้ไปดูอือเอาเขาว่าให้หลวงพ่อเซ็นแล้วก็ปิดทองเสาเข็มเอาเขียนได้หลวงพ่อจะเขียนใส่หัวเสาโคนเสาบอกว่าขอสนับสนุนช่างเจดีพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาอย่างใจจริงห <c oughs> ลวงพ่อเขาว่านะออกมาจากใจจริงก็ลงชื่อหลวงพ่อนะ เอา้าหลวงพ่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงตาเพื่อบูชาพวกคนหลวงตาออกมาจากใจดิงเนี่ยไม่ได้ทํารอลอะไรแหล ะ, ละ อ, ออกมาจากที่ว่าจากเป็นเป็นประโยชน์ทางว่าพวกเราไม่สร้างเอาไว้ล่ะอไม่สร้างทาวรวัตถุไว้ล่ะอดูสิพระพุทธเจ้าปริทธิพานแล้วเน่ะพระยาธรรมโสกราชไม่ปักเสาอโศกไว้ที่พระพุทธเจ้าประสูตร ตัศรู้ปริการแสดงธรรมจักแล้วกับปริเนปันพวกเราจะรู้ไหมว่าที่ไหนตรงไหนคนที่เขาทำไว้เนี่ยเขาได้จะหาหลักฐานจุ ด, จดนั้นนี่ก็เหมือนกันเมื่อเราสร้างพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาเนะีเราก็จะได้รู้ได้ว่าหลวงตาอยู่ที่ไหนลูกหลานที่เกิดใหม่ใหญ่ที่หลังเป็นประวัติศาสตร์พวกเราเขาไปแล้วอีกไม่กี่ปีก็ ต่างคนกน็ต่างไปแล้วเพรวะนั้นอย่าไปใช้ทิฏฐิมานะต่อกันอนุโมทนาสาธุพร้อมกัน เ, เราต้องคิดเพื่อบูชาพระคุณหลวงตาแล้วก็จบแล้วหลวงพ่อว่านะจากนั้นหลวงพ่อามาวัดโทโพธิสมพรเมื่อวา น, นมาดูงานสวดพระอภิธรรมเมื่อวานพาเจรยญสุดใจกับคณะจัทธาาญาตโยบานดาดมาเป็นเจ้าภาพ วันก่อนๆ น, นะลปูรีมาเป็นเจ้าภาพเมื่อวานหลวงพ่อจุดใจมาเป็นเจ้าภาพตอนบ่ายๆแต่เราก็ยังบอกกับเจ้าภาพวัดโพธิสมพรพวกเราคงจะเอาวันหนึ่งเหมือนกันนะอถ้าวันไหนเหมาะๆลพบุรีพวกเราคงจะไปร่วมสวดอภิธรรมถวายหลวงปู่เหมือนกันจากวันหนึ่งให้ตรงไหนว่างๆเพราะก่อนหน้านี้ก็มาหลุมมาตุ่มมันคนมันมากอยู่ แต่ช่วงไหนบอ ง, ง, งว่างนะเราค่อยพวกเราจึงค่อยไปสวด อ, อภิธรรมในงานองค์หลวงปู่เราเอาชอกวันนึ่งนะนะจากนั้นเราก็กลับมาเมื่อวานนะลูกลานนะมาถึงกับำํำมืดขำนี่แหละาศาสนาิจหลวงพ่อไปออกไปทาออกไปดำเนินการอย่างที่หลวงพ่อได้เล่าให้ฟังเนี่ยนะลูกลาน แต่ทึงยังไงก็ตามลุงพ่อก็เคยพูดให้กับใครๆต่อใครฟังว่าหลวงพ่อไม่ได้หนักใจเรื่องวัดของหลวงพ่อเนเพราะกูบาอาจารย์ศรัทธาญาติโยมทำ ม, มารลุมรมรทุนไปอีกไม่นานก็คงจะเสร็จได้แต่เรื่องเจดีย์ของหลวงตานี่ตรงนี้หลวงพ่อหนักใจกว่าเพราะว่าจะต้องใช้เวลาทั้งสมปีนะสิบสองสามสสกคงจะใช้เวลา36เดือน ที่จะสร้างเจดีย์แล้วก็คงจะใช้เงินมากพอสมควรอยู่อแต่ถึงยังไงก็คิดว่าบุญบา ร, รมีขององค์หลวงตาก็คงจะ <c oughs> ทําให้ทุกอย่างเรียบร้อยราบรื่นแต่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยก็บอกมาทําให้เสียประวัติเสียปฏิปทาของครูบาอาจารย์แต่ตามไม่จริงวันอยู่นอกวัดห่างจากวัดป่าบ้านตาดมาต่างหลายเป็นหลายๆร้อยเมตรเหมือนกันคงไม่ได้อยู่ใน จะทําให้พระเดือดร้อนนะ เ, เว้นเสียแต่องคไหนอยากจะเรือดร้อนก็ไม่ว่ากันออกม า, นะ เ, ปปาเป็น้านเว้นหุนวายมันจะ ช, ช่วยไม่ได้ละพอออกมาข้างนอกวั ด, ดเลยทีพิพิธภัณฑนะ์มันอยู่นอกวัดอยู่แล้วนะถ้าองคไหนอยากจะภาวนาภาวนาในวัดนะ่ะหลับหูหลับตานั่งภาวนาทั้งวีทั้งวันก็ได้มันอยู่มันอยู่ในวัดห่างกันอยู่นะเพราะนั่นหลวงพ่อเองจึงไม่กระเทือน เขาพูดยังไงก็หลวงพ่อมันไม่เกี่ยวกันมันห่างกันอยู่แล้วถึงจะทํางานเมื่อวานไปฟังเสาเข็มที่เขาตอกลงไปมันก็ดังไม่กีบไม่ไม่ไกลเท่าไหร่กรดังกระเทือนอยู่ใกล้ๆนั่นเสียงรถของเรายังดังกว่าเพอเพอพระในวัดคุยกันยังดังไกว่อย่างพระวัดเราหลวงพ่อได้ด่าเอาอยู่เรื่อย อทำไมใช้เสียงทำไมวะอบางทีไปฉันน้ำเน่ยเหมือนกับโรงเหล้าโรงสุราเนี่ยพอขึ้นมาแล้วก็คุยกันขโมงสงเสียงมันหมดที่คุยแล้วเหรอเนี่แหละเนี่ยมันเสียงดังเสียงมนุษย์เสียงมนุษย์เนี่ยเสียงคนเนี่ยมันลบกวนสมาธินะลูกหลานนะแต่ว่าเสียงรถเสียงลาเสียงอะไรเนี่ยไม่เท่าไรหรอกเพราะอะไรเพราะมันเป็นเสียงธรรมชาติมันต้องเสียงเว้นแต่จะเสียง แหลมเสียงรบกวนจริงๆถ้าเสียงคนไม่ได้ถ้าเขาพูดกันเสียงมุมมอมมุมอ ม, มมุมอมเลยมันก็พูดเรื่องอะไรนะเออมันใจมันใจใจใจมันออกไปแล้วนะ <c oughs> ใจมันใจมันออกไปฟังแล้วเขาพูดเรื่องอะไรนะ <c oughs> เสียสมาธิแล้วเสียงคนอันตรายท่านทั้งแยกอีกต่างหากว่าถ้าหาว่าเป็นเสียงผู้หญิง เป็นอันตรายต่อเป็นอันตรายต่อสมาธิของผู้ชายถ้าเสียงผู้ชายเป็นอันเป็นอันตรายต่อสมาธิของผู้หญิงท่านพูดไปอีกแยกไปอีกนี่แหละสรุปแล้วคือคือเสียงมนุษย์เป็นเสียงอันตรายถึงจะพูดเสียงไดก็ตามแต่พอได้ยินเสียงตอนนั้นคำว่าเสียงนั่นน่ะมันเข้าถึงจิตใจของมนุษย์ชาตินี่แหละแต่ว่าเรื่องเสียงการเสียงงานไม่เท่าไรแล้วตุมๆต่ๆไป มันก็เคยชินไปแล้วก็จบๆไปก็คงมมนได้มีเสียงดังอะไรมากมายนี่แหละอันนี้หลวงพ่อก็ไปดูเมื่อวานทำความเข้าใจกับผิดน้องประชาชนคนทั้งบ้านตาดนั่นแ่ะให้ช่วยๆกันนะพวกเรานะลูกหลานนะเมื่อสร้างเสร็จแล้วไม่ใช่ของหลวงพ่ออินนะไม่ใช่หลวงพ่อสุดของหลวงพ่อสุดใจเป็นสมบัติของแผ่นดินใคร เ, เป็นประธาน เราก็ยกให้ทูลกระหมอมฟ้าหญิงท่านจุดใจก็มีหนังสือถึงพระ อ, องค์ท่านหมอมภัยพระองค์ท่านเป็นประธานพระ อ, องค์ท่านก็ม่อมภัยลูกสาวของท่านเป็นผู้ออกแบบพระ อ, องค์เจ้าศิลิ์านะกับคณะาจารย์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นผู้ออกแบบเขียนแบบกระชัดเกณฑ์ยอยู่แล้วแต่องค์หลวงตาท่านก็บอกว่าพระห้ามยุ่งนะห้ามไปก่อสร้างนะถ้าเป็นเรื่องของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน เ, ออเราพอ อนุโลมตามได้ตลวงตาท่านก็พูดอีกอันนี้เราก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งไม่ให้พระเขาไปทำการทางานเลยล่ะเพราะเอาไปพระไปทางานก็เสียภาวนาอีกแต่เนี่ยเพราะมันระยะยาวใช่แต่ในวัดของเราเออที่พระมาทำงานอันนี้เป็นเป็นระยะสั้นก็ไม่เท่าไหร่อีกไม่นานก็เสร็จนะก็เป็นศรัทธาญาติโยมเป็นลูกเมือ อันนี้เราซ่อ ม, อมประตูวัดซ่อมแซมวัดของเรานะแต่ท่านพระเจดีพิพิธภัณฑ์อันนั้นต้องรายละเอียดมากกว่าจะเสร็จไดนะ้มันต้องอาศัยช่างของครวาตนะ์เราก็ไม่ให้พระเขาไปยุ่งหลวงพ่อไม่ได้ไปพับอยู่พอเซ็เสนสัญญาจบแล้วนะเรามีแต่เอาคนคอนเซฟคำว่าคอนเซฟก็คือคนคุมงานนะไปคุมเองเลยจ้างคนคุมงานไปคุม เราก็คอยดูมันไปตามแบบแผนไม้เท่า น, นั้นเองอจากนั้นผมก็กจบนี่แหละงานของหลวงตาจะลักษณะอย่างนั้นนะลูกหลานนะจะไม่ให้พระเขาไปยุ่งไปเกี่ยวตามที่หลวงตาบอกไวนะ้นห้ามพระเขาไปเกี่ยวข้องจะไปยุ่งอถ้าว่าเป็นฝ่ายบ้านเมืองทำเขาสร้างเพื่อสร้างขึ้นมาก็เพื่อถวายน้อมถวาย บ, บูชาพระคุณองค์หลวงตากันนะจะจบเพียงแค่นั้นมั้งหลวงพ่อว่านนะเออเาต่อ น, นี้ไป พ่อพูดอะไรให้ฟังแนวหลายๆอย่างทุกวน่ะตอนนี้ไปพระสงค์อนุโมทนาให้พรรับพรในตอนนี้นะ